ซีดีธรรมบรรยายจุดฟังทีไรอิสตุกีโดยพระปรมกุณาปณ์ออปิตโตวัดยานเวศกวนตำบลบางประทึกอำเภอสามรานฎจังหวัดนครพนมเรื่องที่12เรามีความสุขไว้ในตัวเลยดีกว่าอย่าเป็นอย่างคนที่เขาขาดไร้ความสุขแล้วจึงต้องไปที่วิ่งหาบรรยายแต่พระนวักกรุ่นพันสามพุทธศักราช2539ันหรมาี่ก็มาต่อกันเรื่องความสุข ความสุขที่พูดไปแล้วก็พูดถึงความสุขขั้นพื้นฐานชีวิตของคนทั่วไปถ้าเกี่ยวข้องอยู่แต่แม้แต่ความสุขขั้นพื้นฐานมนุษย์ป็ยงปฏิบัติไม่ถูกก็ทให้เกิดปัญหาทาให้เกิดโทษเกิดพิษเป็นภัยกันตนเองอันนี้ความสุขส่วนที่มนุษย์อยู่ปัจจุบันนี้แสวงหากันมากจนกระทั่งกลายเป็นแนวทางหรือวิถีของสังคมไปเลยก็คือมวิสุสุขสุขที่อาศัยอาวุหรือสิ่งเสงพหรือพกความสุขแบบวัตถุหรือฟุตอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าการมาสุขนัในเององกระี้ ซึ่งจะเชื่อมไปสู่ความสุขอื่นๆก็ถือว่าประการที่1ก็คือการปฏิบัติต่อตัวสามิจ ส, สุขหรือตามมิสุขนี้เองในทางที่จะทำให้เกิดโทษทุกภัยน้อยด้วยความรู้เท่าทันปฏิบัติตามมาให้ถูกต้องก็จะทําให้เราหรือชาวโลกทั่วไปเนี่ยอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ดีขึ้นแต่ว่าจะให้มีความสุขแท้จริงมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าพวกสามิจ ส, สุขนี้ก็เป็นเรื่องของวัตถุโดยธรรมชาติของมันเองก็มีสภาวะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอตาเป็นสิ่งภายนอกมีลักษณะที่ตต้้้อองขึนน่่่มใทีกลาลาววแ นั่นพูดที่ยังดุ่มุ่งกับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องรู้เท่าทันอย่างที่ว่าก็คือว่าปฏิบัติประมาทให้เกิดทษน้อยที่สุดให้ได้ความสุขแล้วก็มีทุกน้อยแล้วทุกในที่นี้ก็ดูไปถึงเวรไภกับผู้อื่นด้วยทุกแต่ตัวเองเวรไภัยอเพื่อนมนุษย์สังคมและก็การทําลายต่อธรรมชาติแดดหลอมอันนี้ประการต่อไปก็คือว่ามีสิ่งที่จะมาช่วยสร้างดุลยาภาพให้เกิดความรู้จักประมาณหรือความพอดีอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะมาช่วยและประการต่อไปก็คือจะหยุด อ, อยู่เท่านี้้้พพพพยาาาาาามััฒนนนชีวิติตยยดดดเเกจจใใปญญื่อ้ ไดมีสาภาพมากขึ้นมีความสุขที่เป็นอิสระเป็นไทยกันตนแล้วก็เข้าถึงความสุขที่รเริ่นรืไปตามลาดับ ก, ก็เข้ากัหบหลักที่พูดไปแล้วว่าวิธีปฏิบั ต, ติเรื่องสุขทุกสี่ประการทีนี้เราก็มาดูเรื่องของวิธีปฏิบัติเท่าที่เราพูดไปมาแล้วนี่มีเยอะไปพูดแทรกอยู่ในเรื่องต่า ง, างหลายเรื่องก็เป็นเพียงว่าเอามาสรุกอีกทีหนึง่งน่าจะเป็นไปลักษณะที่เพียงแต่หยิบยกขึ้นมากล่าวถึงคงว่จะเป็นต้องอธิบายพิสดารอันี้ที่พูดมาแล้วก็คือวันหนึ่งรัติ ขสองก็คืออย่าสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์อย่าแปกแยกจากเพื่อนมนุษย์จากสังคมแล า, ก, าก็คืออย่าแลกแยกจากกิจกรรมชีวิตของตนเองแล้วการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีการที่จะทาให้ได้รับประโยชน์แ่ลความสูฐานสามประ ก, การก็จะไปสัมพัสกับการพัฒนาเรื่องความสุ ข, ขันต่อๆไปเพราะว่าเวลาปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยมันไดอยูในเรื่องของการพัฒนาตามหลักการสกาศีลสมาธิปัญญาพัฒนาพฤติกรรมจิตใจและปัญญาในเมื่อพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเนี่ยมันแยกออกจากกันไม่ได้สิ่งที่เราไปเกี่ สิ่งแวดล้อมเพื่อนมนุษย์สังคมธรรมชาติแกิจกรรม่ชีวิตตวเองถูกต้องมันก็ได้ความสุขจากแหล่งสุขพื้นฐานไปด้วยพร้อมกันนั้นก็พัฒนาชีวิตตนเองพัฒนาจิตใจและปัญญาไปด้วย ไ, ไปด้วยกันแต่ว่าอย่างน้อยก็อาจจะยกมาพูดเป็นจุดสังเกตเรื่องของการไม่แปแรเปลธรรมชาติแวดล้อมนี้ก็ยุคนี้ก็ผเห็นความสาคัญมากขึ้นว่ามนุษย์ุที่ผ่านมานี่ ทารธรรมชาติแล้วก็ทำลายธรรมชาติทำงานจะให้รักษาธรรมชาติไปได้นี่อย่างน้อยคม่ยอคิดอย่างนี้เพราะว่าอันตรายถึงตัวเพราะปลายธรรมชาติอย่างน้อยก็กลัวอันตรายจะมาถึงตัวก็ต้องจำเป็นต้องรักษาธรรมชาติแต่ที่จริงมันไม่ใช่แค่รักษาธรรมชาติมันหมายถึงรักษาตัวเองด้วยรักษาตัวเองไม่พอในแง่ของภัยายที่เกิดจากธรรมชาติแดล้อมเสียแล้วมันทให้เกิดผมร้ายต่อชีวิตหมายถึงว่าไม่แต่ความสุขรวยพอรักษาธรรมชาติไว้ก็รักษาความสุขของตัวเองด้วยีการที่รักษาธรรมชาติได้ดีนี่ความจร รัธรรมชาติมันจะเกิดมาจากปัจจัยภายในคือถ้าทำถูกต้องตามเหตุปัจจัยแล้วความรักธรรมชาติมันเกิดเองนี้ตอนนี้ก็สอนกันให้รักธรรมชาติรักธรรมชาติแต่ถ้าไม่ทําเหตุปจัจจัยของความรักให้ถูกความรักมันจะเกิดได้อย่างไรมันจะไม่ทำในสิ่งที่จะไปบังคับฝืนใจได้ความรักธรรมชาติเกิดขึ้นเมื่อคนเราเนี่ยมีความสุขจากการยอยู่กับธรรมชาติถ้าคนเกิดมีความสุขในการอยู่กับธรรมชาติแล้วเขารักธรรมชาติเองเลยนั่นอย่างสอนเด็กสมัยนี้การศึกษาว่าเอาหน้ามาช่วยแต่งานรักธรรมชาติ้าเราต้องรักธรรมชาติแล้ว การรักธรรมชาติการรักธรรมชาติก็เป็นไปเองรักธรรมชาติแล้วการอนุรักษ์ก็ตามมามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ต้องเป็นบังคับฝืนใจนปัจจุบันเนี่ยวิถีของอารยธรรมมัน ท, ทให้คนเนี่ยรักธรรมชาติเด่นน้อยเพราะว่าแต่ละคนมุ่งหวังสิ่งเสพเอาสิ่งเสให้กับตนเองแล้วก็ยิ่งมองธรรมชาติทีเป็นที่มาของสิ่งเสพวัตถุที่จะมาบริโภคมันมองธรรมชาติด้วสายตาที่จะไปเอามาจัดการนะก็คือมองแบบเป็นสิ่งที่จะต้องทาลายหรือเปลี่ยนเปลี่ยนนั่นเองที่เรียกว่าเอาชนะธรรมชาติเอาชนะในความ มันเป็นทัศนคติที่มองธรรมชาติเป็นปฏิปักษ์ู่มองเป็นปฏิบักษ์เป็นศัตรูมันก็รักไม่ได้แล้วก็เจอกันมันก็ไม่เป็นสิ่งที่จะทำให้มีความสุขบาที่สร้างค่านียม่กันถึง ก, การที่ว่าถ้ามีธรรมชาติอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่เจริญเห็นธรรมชาติก็มองเป็นปฏิบัติมีความรู้สึกว่าธรรมชาติเนี่ยมาขัดขวางความสุขของตัวเองเลยก็มีในยุคหนึ่งเคยไปถึงขนาด น, นั้นอย่างถือว่าป่าต้นไม้เป็นเครื่องหมายของความเถื่อนของความไม่เจริญอยาเจริญก็ต้องสร้างบ้านสร้างตึกสร้างถนท น, ทนทางวัตุในใ แม้จะต้องสร้างเป็นคอนกรีตขึ้นมาแทนจึงก็กลาเป็นป่าคอนกรีตแล้วยางนั้นไม้จะ ต, ตามวัดต่างๆก็เลยทำลายต้นไม้กันต้นไม้ที่เคยปลูกกันไว้ตั้แต่ตบรรพุรุษก็เลยมาหมดลงในยุคพัฒนาเนี่ยเมื่อพศ2503ขึ้นมาหมดไปเยอะแยะเลยนี่ทัศนคติข่านิยมในความคิดวิธีชีวิตก็อยู่ในลักษณะนี้มาเป็นรันยาวนะเวลานี้ก็มาถึงตอนที่คนเกิดความสํานึกว่าที่เป็นมายังนัดผิดทีนี้ก็การปรับฟังความรู้สึกความเชื่อความคิดนี้มันปรุงแต่งมานานดันั้นก็เกิดความขัดแย้งในตัวคนกก็็ไไมมม่่คออวาาาสุขธรรชตติเท้้จะง ว่า ก, กันใหม่ก็ต้องสร้างทำให้เด็กนี่มีความสุขในกายอยู่กับธรรมชาตินีอย่าง<ม>ที่ว่าแล้วนี่อยากไปเห็นกระรอกหรือเห็นนกก็มีความสุขจากการที่ได้เห็นมันขยับขยืนข้นทึนไหวการบินการขยับมือเท้านะฮะแล้วก็การที่มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมบรรยากาศต้นไม้อะไรต่างๆเราเนี่ยเห็นแล้วก็มีความชื่นชมมีความสุขไม่ใช่ว่าไปเห็นกระรอกก็นึกถึงการที่จะเอามันไปลงหม้อแกงแล้วจะได้กินอร่อยหรือว่าไปเห็นนกก็ น, นึกถึงอย่างเดียวกันว่าจะอามาปิ้งมาย่างแล้วจะได้กินอร่อยก็เลยพอมองเห็นนกก็มาได้มีคคววาาาาามมมมมรรร้สสสึกกกกีีุุไไ่่ธชตติปเเซงงออ นำสติหรือไปเอาอะไรมาสักอย่างมาคว้างมาดิงมาปามาฆ่ามันเนีนั่นก็เรื่องของการที่จะทําให้คนมีความสุขในการอยู่กับธรรมาชาติในสังคมไทยนี่จะมีปัญหาเกันเพราะว่าเด็กไทเราเจอหนกคว้ามีแย่ไล่ปา่าแล้วเจอกระรอกก็ไล่ขับเอาไม้คว้างการรู้สึกที่จะชื่นชมในความงามในความสวยงามมีความ ส, ามมาม ส, ามสุขกัธรรมชาติไม่ค่อยมีนี่ยเป็นปัญหาอยู่เพราะนั้นอันนี้ต้องทําขึ้นก็ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆกาให้เด็กมีความสุขในการอยู่กับธรรมชาติเป็นรลอมก็ต้องให้ผู้ใหญ่ได้ช่วยในการที่ชักจูงในทางอยู่ในิสส็น รู้สึกว่าพอเห็นพูดเห็นมองเห็นนกเนี่ยสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดไว้เนี่ยมันโยงไปหาชีวิตของสัตว์ความเป็นอยู่และธรรมชาติปร่มที่สวามเดก็จะมีความสุขธรรมชาติได้นี่พอเด็กมีความสุขกับธรรมชาติเนี่ยรักธรรมชาติเองรักธรรมชาติแลการอนุรักษ์ก็ตามมา น, น, นั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งจะต้องไปคิดถามวิธีเทคนิคตอนนี้ก็มีคนเริ่มคิดถางากันเยอะมากขึ้นแต่ว่าอย่างน้อยว่าไม่ให้มีทัศนคติที่เป็นปฏิปักษ์ที่มองว่าธรรมชาติเป็นสร่ามองเป็นสิ่งขัดขวาง ก็คือคติเรื่องเอาตัอดร่วมวงแกงนี่แหละ<อ>ก็นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับธรรมชาติเป็นร่มก็ไปคิดราละเอียดกันเอาแต่ทีนี้ด้านอื่นก็คือเรื่องของการสร้างบุญยภาพจากการหาความสุ ข, ขด้วยการเซตอันนี้หลักที่พูดแล้ว่าโภชนีมัตตัญุตาก็ชัดนะโพชนีมัตติญตาก็คือการบริโภคด้วยปัญญาการที่มองให้เห็นว่าที่เราบริโภคสิ่งนั้นเช่นบริโภคอาหารหรือบริโภคใช้สอยทุนนุ่งผมโดยเฉพาะก็คือเรื่องของอาหารเนี่ยบริโภคเพื่ออะไรจุดมุ่งหมานอยู่ที่ไหน การทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีแล้วเราจะได้เอาร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีนี้ไปใช้ประโยชน์ไปดำเนินชีวิตที่ ด, ดีไปสร้างสรร์ไปทำการอะไรต่างที่ทำให้ชีวิตจเจริญงองามยิ่งขึ้นนะอันนี้พอมองอย่างนี้แล้วมันก็จะทำให้มาช่วยสร้างดุลยภาพทาให้การที่จะมุ่งบริโภคเพื่ อ, อเด็ดอร่อยเพื่อรบรุงรบำรงบำรเิมตามุชมุกลิ้นนน้อยลงบาบางลงอันนี้ก็เป็นหลักง่ายๆถือถ้าเริ่มมีการากศึกษาก็ไดฝึกตั้งแต่ในบ้านก็ทำได้นีแล้วก็ดุลยภาพเกิดขึ้นเยอะเลยเพราะเวลานี้คนกินอาหารเนี่ย นะจะต้องชี้กันให้เห็นเลยว่าทำลายรูปอย่างไรถ้าไปตามใจรูปในการจนเปรอได้สิ่งอนันอร่อยเพราะมันไม่ทำให้เกิดปัญญาเลยบริโภคโดโมหะแต่ว่าสนองตัญหาความปรจจนาเสร็จแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นมันเป็นสนองมันนะมันละก็คื อ, าอายยการที่ยึดถือคานิยมในการที่โกเกะด่งใหญ่นะเด่นจะกินอาหารฝรั่งแล้วก็โกมีนี้คือารสนองมนะกินอาหารที่สถานที่ที่โกเกนะเป็นซ า, น า, าตุานิยมไตเป็นว่าตัวเองก็สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุแล้วก็สนองกิเลสขึ้นมาละเกิดความภาคภูมิใจว่าโก ตรงนั้นสบายตรงนี้เป็นเดยื่อโฆษณาไปว่าทีนีถ้ากินที่ิเโ ก, โกต้องกินอาหารประเภทนที้ิเโ ก, โกอันนี้ตัวเองก็นึกว่าที่ทำอย่างนี้โกจริงๆภูมิใจแสดงว่าไปตาม่านิยมตามกระแสของความชอบใจไปตามเสียงชังของผู้อื่นไม่มีความเป็นตัวตัวเองไม่ใช้ปัญญานี้พอเราสอนให้เด็กเข้าใจว่าเออที่กินนีกินเพื่ออะไรอย่างน้อยก็ถามตัวเองพี่มีคำตอบมองเห็นด้ปัญญาว่าอ๋อที่กินอาหารนี่ที่แท้มันเพื่อบรุงร่างกายให้แข็งแรงมีสุขภาพดีอย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วจะได้เอาร่างกายไปใช้ประโยชน์ทสิ่งที่ดีงาแล จะเรืงงองกงามยิ่งขึ้นไปพอแกมองเห็นอย่างเี้ยนี่นแกเห็นเลยมันชัดมันถูกต้องมันเป็นความจริงเขาแกเห็นแ้นเป็นความจริงแล้วเราก็หนุนได้บว่านี่เห็นหมการที่บริโภคเพื่อจุดมุ่หมา ย, ยานี้เป็นการกินด้วยปัญญาเดกจะมีา ม, ม่ใจในตนเองคุมใจในการกินอย่างนี้แล้วแกก็จะไม่ตกไปใต้อำนาจค่านิยมก็จะช่วยถงดุลได้เป็นดุลยภาพอย่างการเสพรถกา ร, การโกโเกมันก็จะถูกควบคุมให้ดูในอันตราที่เบาลงหรือเกิดความพอดีขึ้นมานนการกินด้วยปัญญาก็เป็นการกินที่พอดีเพราะทาให้เกิดการพอดีในแ ก็ทำให้ประหยัดไม่สิ้นเปลืองภตัวการบการสนองความต้องการของชีวิตทีิแท้จริงซึ่งเป็นไปนตามธรรมชาติไม่ใช่เป็นความไม่ไม่ใช่เป็นการสนองความต้องการของอัตตาตัวตนที่เกิดจากปัญหานอันนี้ได้ดูในภาพแล้วนะนี่ก็หลักที่หนึ่งไว่าโพชนีวัตดดวตนตัณก็ขยายไปสู่เรื่องการใช้เทคโนโลยีเป็นต้นให้เด็กถามตัวเองหรือถามเด็กได้ว่า อ, อันนี้ประโยชน์ของสิ่งนี้ใช้เพื่ออะไรประโยชน์อยู่ที่ไหนแล้วก็เมื่อแก่มีปรรัญญาแก่รู้เข้าใจก็ทาให้ได้ตามวัตถุประสงค์นั้นมีความมั่นใจในตัวเองในคน เอาล้วครับพอชนีมาตามดูตานี่ก็พูดกันปเยอะแล้วนะเราก็มาทวนกันอีกก็เป็นตัวที่มาช่วยสร้างดุลยภาพในยุคของการเสรบริโภคนี้ได้ตัวนี้มาก็ช่วยลงยอะแยแล้วเนี่ยไอ้ต่อไปก็อะไรล่ะข้อดีเขาจะจัดสอนไว้เป็นหลักการพื้นฐานในการพัฒนามนุษย์ก็บอกแล้วว่ามนุษย์นี้เป็นอยู่ชีวิตปรจำวันก็อยู่ตาหูจมูกลิ้นกายที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็เรียนหลักมาแล้วว่าการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใช้สอย่างหนึ่งใช้เพื่อเสก็จสนองตัณหาสองใช้เพื่อศึกษาสน้น ในสิ่งที่เจอเป็นวัตถุภายนอกก็มีสองแบบคือสิ่งที่ชอบใจก็ม่ชอบใจเจอสิ่งที่ชอบใจได้เสียก็มีความสุขเจสิ่งไม่ชอบใจก็ทุกข์ก็เลยมีสุขทุกข์ที่วนเวียนอยู่กับเรื่องของสิ่งชอบใจไม่ชอบใจนี่ตอนมาเราพัฒนาเด็กขึ้นมาให้รู้จักใช้ตาหูจมูกลิ้นใจเพื่อการศึกษาคือการเรียนรู้ๆๆว่าทจริงแล้วชีวิตมนุษย์จะอยู่ดีได้นี่ก็ここคือการรู้จักสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอะไรคืออย่างไรมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเราอย่างไรมันเป็นคุณเป็นโทษแก มันจะต้องอาศัยปัญญาซึ่งจะเกิดขึ้นจาการเรียนรู้โดยใช้ตาหูจมูกลิ้นถูกต้องเราใช้ตาดูหูฟังเป็นแทนที่จะไปตีดูแค่การเสกมันต้องกาเป็นว่าใช้ตาดูฟังให้ได้ความรู้คือการเรียนรู้พอเด็กเริ่มเรียนรู้เด็กก็จะมีความสุขจากการได้รู้เมื่อมีความสุขจากการได้รู้นี่ก็ทําให้พัฒนาความอยากรู้มากขึ้นความอยากรู้เกิดเป็นความใฝ่รู้พอเป็นความใฝ่รู้อยากรู้สนองความต้องการในการเรียนรู้ก็ยิ่งมีความสุขพอความใฝ่รู้ทวีขึ้นพัฒนาขึ้นเข้มขึ้นความสุขจากการเรียนรู้ก็มากขึ้นนนุกกกีมมมัั็าาาาชช่วยสรร้้งภพใิิ แล้วก็ขยายมิติแห่งการมีความสุขตอนนี้เริ่มพัฒนาแะแต่ก่อนนี้มีความสุขจากการใช้ตาหูจมูกลิ้นเพอย่างเดียวตอนนี้มีความสุขจากการสนองความฝ่รู้ใช้ตาดูฟังเพื่อพ้นเพื่อจุดมุ่งหมายใหม่คือการเรียนรู้และและทีนี้อย่างที่เคยบอกไแล้วว่าการเรียนรู้นั้นไม่ขึ้นสิ่งชอบใจไม่ชอบใจสิ่งชอบใจก็ได้เรียนรู้สิ่งไม่ชอบใจก็ได้เรียนรู้เพราะนั้นจากการพัฒนาในเรื่องของความฝ่รู้การใช้ตาดูฟังเพื่อการศึกษาก็เลยทาให้เด็กนี่พ้นจากวงจรแห่งสุขทุกจากสิ เรียนจากประสบการณ์ได้ทุกอย่างยิ่งสิ่งที่มันชอบใจก็อาจจะเรียนรู้มากด้วยและก็เปิดช่องทางของความสุขเพิ่มขึ้นได้มาเอาความสุขที่ิดใหม่ไปดุลยภาพความสุขจากการเสดด้วยและยังแถมทําให้เป็นความสุขที่ประนี่ที่เป็นอิสระมากขึ้นเพราะว่ามันพ้นจากวงจรแห่งความสุขทุกจากความชอบใจไม่ชอบใจนะนี่คือความสุขจากการใช้ตาหูเพื่อการศึกษาในวตาดูฟังเป็นดูเป็นฟังเป็นเป็นต้นรูเป็นฟังเป็นก็พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนี่ความอยากที่ิดใหม่คือความอยากรู้ใส่รู้นี้ก็เรา นี่ต่อมาก็บอกว่าพอพัฒนาความใฝ่รู้ขึ้นมาแล้วความรู้นี้จะทําให้เรากล้าวไปสู่ความอยากความต้องการอีกขั้นหนึ่งคือมารู้แล้วจะสามารถแยกสิ่งที่อยู่ในภาวะที่ดีที่ควรจะเป็นกับสิ่งที่อยู่ในภาวะที่ไม่ดีที่ไม่ควรจะเป็นแยกได้ระหว่างสิ่งที่อยู่ในภาวะสมบูรณ์กับสิ่งที่อยู่ในภาวะบกพร่องทีนี้ก็ความรู้นี่จะทําให้เกิดการอยากจะให้สิ่งนั้นอยู่ในภาวะที่มันดีที่มันสมบูรณ์ที่มันควรจะเป็นอันนี้เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วแยกได้แล้วอยากจะให้มันอยู่ในภาวะที่ดีที่ควรจะเป็นพอเห็นสิิ่่่่่่งงทททีีีไไไไมมมมมมดดบบบบกกกกกพรรรออนนะะเเตต็็็ููณณ์ยาาาาจํํแ้้้้ขใใใหหหัส ตอนนี้ก็เกิดความใยชนิดใหม่ความอยากชนิดใหม่หรือว่ความใยดีความอยากให้มันดีพออยากให้มันดีก็เลยอยากทำให้มันดีนะเพราะว่าสิ่งที่มันยังไม่ดีไม่สมบูรณ์ยังบกพร่องอยู่เห็นแล้วนีก็อยากทำให้มันดีเห็นลงปูพื้นไม่สะอาดก็อยากให้มันสะอาดเห็นพื้นที่มันไม่เรียบร้อยมันขรุขระก็อยากให้มันเรียบร้อยเห็นต้นไม้เฉาเหี่ยวก็อยากให้มันเขียวขจีพอความรู้อันนี้มาก็อยากให้มันดีอยากทำให้มันดีพอทำให้มันดีการกระทำก็ทำให้เกิดความสุขตอนนี้ก็ได้ความสุขอีกขั้นหนึ่งความสุขขัน้มนนีกกก็เยรรรีว่าาส้างสรรค์ เกิดมีความสุขิตใก้าวไขั้นหนึ่งเรียกว่าความสุขจากการสร้างสรรค์เป็นการก้าวจากความสุขจากการศึกษาน่ก็ตอเรื่องการความสุขจากการศึกษามาแล้ความสุขจากการสร้างสรรค์ก็ตามมาอันนี้ความสุขจากการสร้างสรรค์ก็มาทาให้คนที่มีช่องทางมีความสุขเพิ่มขึ้นแล้วข้อดีของมันก็คือว่ามันทาให้กากระทามีความสุขซึ่งต่างกับายเสพถ้าเด็กดูในยูในขั้นของการหาความสุขจากสิ่งเสพแกต้องได้รับการบำรุงบำรุเป็นไฟรับจึงจะมีความสุขถ้าแกต้องทำอะไรแกก็ทาใจสูญใจแกก็ทุกข์จนกระทั่ข ากากะทำความสุขการสร้างสรรค์เปความสุขเด็กก็จะเข้มแข็งเด็กที่เป็นนักเสพไม่อยากทำอะไรการก็ทํเป็นความทุกข์ก็จะอ่อนแอลงไปใช่แล้วก็วนเวียนอยู่ในทุกข์เพราะว่าไม่สามารถจะสร้างสรรค์อะไรได้ก็จะต้องเลียงชิงอย่างเดียวต้องหาต้องเอาต้องรับต้องได้ตอนนี้สามารถเป็นผู้กระทำทีนี้เราก็สามารถฝึกตอบกอีกเพระเด็กมีความใฝ่รู้ใฝ่ดีใฝ่ศึกษาใฝ่สร้างสรรค์มีความสุขแบบวัยขยายนิจเต็มความสุขออกไปแ่ก็สามารถมีจิตสนึกในการศึกษาจิตสำนึกในการฝึกตอนอีกพอเราสามารถพัฒนาทุนนก จสิ่งที่ทำยากแกก็อชอบแก่ก็มีความสุขในการทำสิ่งที่ยากอกนะีตอนนี้ไม่กลัวความยากแล้วมีความเข้มแข็งขนาดที่ว่าสิ่งที่จะทให้คนทั่วไปเกิดความทุกข์คนพวกนี้ไม่ถูกะนใะนอี้าอีกขั้นหนึ่งสิ่งที่ยากสิ่งที่เป็นปัญหาคนตบไปนั้นเมื่อไม่ได้ฝึกแน่นอนเราต้องเกิดความทุกข์แต่คนที่ฝึกแล้วพัฒนาแล้วเจอปัญหาเจอสิ่งที่ยากมีจิตสนในการฝึกตนมองเห็นว่าโอ้นี่เราไะได้ฝึกตนก็ชอบชอ บ, ชอบก็เอาเลยพอทำเขาก็มีความสุขมีความยินดีได้เจอ ส, สิ่งที่ยากา คนที่เป็นนักเศรษฐศาสตพัฒนาก็อยู่เท่าเดิมอยู่พันพื้นฐานแกอยากเดียวแต่สิ่งที่ได้ที่ชอบใจจะเสร็จท่าเดียวมีทุกหรือเกินและสิ่งที่เสียนี่มันต้องเพิ่มปริมาณดีกรีด้วยมันจะยิ่งลำบากสิ่งที่ เคยให้ความสุขในปริมาณเท่านี้ดีกรีเท่านี้ต่อมาก็ไม่มีความสุขแล้วเกิดทุกข์จากการดุลายจากการรอคอยจากการไม่ได้ทิดหังอย่าที่พูดมาแล้วในเยอะแยะได้ช้มาจะต้องทำอะไรก่อนทุกข์เจอสิ่งที่มันชอบใจแตทุกข์มันวุ่นวายไปหมดนะแล้วก็เดี๋ยนี้ทุกคั้งหน้าาสิ่งที่ตัวได้มาครอบครองห่วงกังวลกัวจะพัดพาราะพัพลาดก็สูญเสียก็เกิดความทุกข์ยังไม่สูญเสียไปก่มีความวัดวันอะไรอีกันทุกข์มเยอะทีนี้พอเราพัฒนาเด็กขึ้นมานี่ตอนนี้หลายหลายช่องทางและว แล้วก็มามีโพชินิมัตันยุตาการบริโภคดบัญญาการบริโภคพอดีเข้ามาสร้างร็ภาพแล้วก็มีการพัฒนาชีวิตใช้ตาดูหูฟังไม่ใช่เพียงพิเศษเพื่อการศึกษาสนองความใฝ่รู้จะแล้วก็พัฒนาประสบการที่ว่ามีความสุขการสร้างสรรค์จกการทำสิ่งทั้งหลายคือการมีความสุขการะทำนั่นเองมีความสุขการะทำก็เข้มแข็งขึ้นมาแล้วมีจิตสในการสามีความสุขแมในเกิดจากการเจอสิ่งที่ยากซึปหมดเนี่ย อน้ต่อมาก น, น, นกิจกรรมในชีวิตก็ดีไปหมดนะตอนนี้จะโยกลับไปหากิจกรรมในชีวิตใช่ไหมเพราการทำาต้องมีความสุขัก็อยู่กับกิจกรรมในชีวิตของเขาได้สบายไปหนุนในควนี้อีกอันนึงก็คือการอยู่กับร่วมเพื่อ ม, มนุษย์ถว่าอยู่ได้จิิตจามีความจริงใจไม่ว่าระแวงก็เป็นความสุขสบายอย่างหนึ่งที น, นี้ก็พัฒนาต่อไปไ ว, ว่ามนุษย์อยู่กับสิ่งเสคิดได้จะเอาก็มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มีความบาดระแวงครอบ การให้เข้ามาดูในภาพเขามีการให้คิดจะให้ก็จะมองเพื่อนมนุษย์ด้วยความเข้าใจมองเห็นสุขทุกข์ของผู้อื่นก็เอื้อต่อการที่จะเกิดคุณธรรมคือเมตตา ก, กรุณาตอนนี้เมตตา ก, กรุณาก็มาความเมตตา ก, กรุณาก็เป็นการอยากให้ผู้อื่นมีความสุขอยากให้คนอื่ น, นพ้นทุกข์พอมีตัว น, นี้ขึ้นมาก็จะทําให้เราให้ด้วยความสุขการให้กลายเป็นความสุขมนุก็จะมีความสุ ข, ขจากการให้อีกจิตใจเขาก็มีความสุขจากการให้ก็เป็นประน์จิตใจเขาบิดามารดาที่รักลูกรับลูกให้กับลูกก็มีความสุขนะนี่พอมีความรันนุเาาณับ ทราบซึ้งในคุณค่าของการทำความดีนะเห็นว่า ก, การาเพ็ญปโยช์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์บรุศาสนานีช่วยให้โลกมีสันติสุขนะเป็นกา ร, รบำรุงธรรมะไว้แก่สังคมมองด้วยปัญญาเห็นตวน้อยขึ้นมาก็ัทพาไปมีการให้ไปช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์หรือไปบำนุงกิจการที่เป็นกุศลบรุศาสนาก็มีความสุ ข, ขอีกจิตใจก็มีความสุขจากการให้ในคุณธรรมที่พัฒนาตอนนี้ก็ทให้เรามีความสุขจกการให้มานุ์ในการอยู่ร่วมสังคมให้อยู่ด้ความสุข ข, ขึ้นมนุษย์ก็จะไม่แปกแยกกันเพื่อนมนุษย์เดียกันตระแหน่ม แต่ลงว่าเราก็ได้ความสุขอีกแหลงหนึ่งก็คือจากทานหรือการให้โยงไปหาคุณธรรมใจใจคือเมตตากรุณาก็พัฒนาไปพร้อมกันด้านนอกพัฒนาทานหการให้ด้านในพัฒนาเมตตากรุณาเนี่เป็นคุณธรรมก็เยอะแล้วนี่ยครับทีนี้ต่อไปก็จะมีการสุขอีกอ้าวสุขยังไงสุขว่าให้เป็นผู้ที่ว่าสามารถมีความสุขได้มากจากวัตถุน้อยๆเออแต่ก่อนนี้ก็ต้องมีวัตถุเสพมากที่สุดที่จะมีความสุขมากที่สุดต่อมาก็มีดุลยภาพว่ามันจะเป็นัเสพมากหรือพอมันอาจจะเป็นอันตรายเป็นโทษท่ว่านแก่สมาารงถ มีความสุขได้มากด้วยวัตถุน้อยนี่เป็นความสุขในด้านวัตถุอันนี้หลักนี้เรียกว่าสันโดษสันโดษก็ถือความพอใจในสิ่งที่มีที่ได้มีได้มาเท่าไหร่มีความสุขได้ทนั้นวัตถุเน่นพอเพียงจเป็ น, นการมีชีวิตอยู่ถ้าใช้วัตถุน้อยมีความสุขได้มากหรือว่าสามารถมีความสุขได้ด้วยวัตถุน้อยที่สุดทาที่จำเป็นก็เป็นความมักน้อยไปเลยเรียกว่าอัปปิดคตานีก็ไม่ต้องการเกินจำเป็นแ่สันโดษที่ยังเราแพ้ได้เท่าไรก็ดีเท่านั้นอันนี้อันนี้ก็จะได บอกแล้วผมเจ้ากระตับบอกว่าแม้ในความสุขที่ชอบทําก็อย่าได้ไปสยบหลงมัวหมองใช่ไหมไปติดไปหลงตอนนี้สันโดษนี่เป็นต้นเป็นตัวอย่างเขาการที่อาจจะเกิดความหลงความเพลินติดในความสุขเพราะว่าได้วัตถุมาเป็นของตนเท่าที่ได้ที่มีก็สันโดษก็มีความสุขได้ก็พอใจก็สบายแล้วสบายแล้วติดหลงเพลินในความสุขไม่นําเอาสันโดษไปเป็นปัจจัยแห่งการพัฒนาชีวิตก็ตกอยู่ในภาพละหมาททาให้เกิดความเสื่อมเพราะฉนั้นสันโดษที่ไม่มีความสัมพันธ์กับธรรมะข้ออื่นที่จะกล้าวต่อไปก็เป็นตัวความประหมาดไปเพราะนั้น เขาไปสะโดดในง่ายะไเขาไปสันโดดในคุณสมรรนะสโดดในวัตถุเองมันก็ไม่ได้เสียหายแต่ว่ามันไม่ไปต่อเชื่อมเป็นปัจจัยแห่งการพัฒนาชีวิตหรือพยายามเข้าถึงสิ่งที่ดีงามตอนนี้เลยเาสนโดดไปโยงกับเรื่องกีตกรรมในชีวิตเลยั้ด้านสโดดนั้นทาให้เรามีความสุขง่ายในวัตถุน้อยถ้พูดง่ายๆว่าสัโดดทาให้รสุขง่ายวัตถุน้อยเพื่ออะไรก็เพื่อได้ออมเวลารงงานและความคิดเอาไว้เพราะว่าเมื่อสั่นคิดในวัตถุสิ เราสุกง่ายเดียววัตถุน้อยวัตถุเท่าที่มีเราสุกแล้วเราก็เอาเวลาแรงงานและความคิดนั้นไปทุ่มเทให้กับการทำสิ่งที่ดีงามที่เรียกว่ากุศลธรรมอันนี้สันโดอก็จะมีประโยชน์เป็นตัวเชื่อมเป็นปันจจัยแห่งการพัฒนาชีวิตเป็นสันโดอที่ไม่ลอยไม่ดุด ไม่ขาดตอนไม่ตันนถ้าเป็นสัตวโดทีนที่ว่าอมีวัตถุแค่นี้ชันก็สุกแล้วสุกแล้วสบายก็เลยนอนก็เป็นสัตวโดดิเกเป็นสัตว์โดดประมาเป็นเป็นโทษน้สะดว์ที่เป็นคุณก็อย่างที่ว่าสุกงาในวัตถุน้อยเสร็จแล้วก็เอาเวลาใงานและความคิดที่ออมไม่ได้นั้นไปอุทิพมุ่มให้กการทำสิ่งที่ดีงามที่เราสู่สราต่อไปก็ไปรับกันการเรื่องความไม่สัตว์โดในกุศลธรรมก็ไปรับกันเรื่องชันทัความใฝ่รู้ฝ่ดีเนี่ยแล้า ก็เลยเอาเวลาแรงงานแลพาพิธีสนวได้กการสอดในวัตถุนี้ไปทุ่มเทให้แการทำงานทำการทาหน้าที่ของตัวเองนี้ทงานทาการด้วยจิตใจที่รักมีความฝดีมีฉันทะรักงานนั้นด้วยแล้วทำใจก็ไม่ห่วงไม่กังวลกับเรื่องวัตถุเสพด้วยก็เลยมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการทำการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามงานก็เลยได้ผลด้วยจิตใจก็เป็นสุขในการทางานด้วยเลยได้อันหนึ่งเพราะนั้นสดนี้ก็จะเชื่อม2อันพันกันคือนึ่ได้ความสุขจากวัตถุแมน้อยเท่าที่มีสองทให้ไปมีความสุขจากการทง แล้วพร้อมกนั้นก็มา่วยสร้างสรสังคมด้วยการทากิจการหน้าที่ได้ผลด้วยแะสันโดษที่เป็นตัวเชื่อมนะเป็นตัวสุขที่สาคัญแต่ว่าเป็นทั้งในแง่ของการได้สุขจากวัตถุแมน้อยแล้วก็เป็นตัวหนุนการทาสิ่งที่ดีงามทการสร้างสรรค์ให้ได้ความสุขกด้านนี้ด้วยแล้วผมไปดูกแกสังคมงส่วนรวมก็เกิดขึ้นมาด้วย <S <S นี่ก็กลาอีกขั้นนึงไปลว่าสันโดษ น, ใ น, นดี่ทั้งช่วยในแง่ของการสะพานจากวัตถุสิ่งเสพทั้งช่วยในแง่หนุนพาสุขจากกิจการแล่งชีวิตของ อันนี้พอส ด, ดมาช่วยแล้วะเราก็พัฒนาไปได้ทีนี้ก็พบเจ้าก้สอนแล้วให้มาสดนุศลธรม ก, ก็ไปเร่งสร้างสรรค์ุศธรมทความดีงามมีความสุขจการมาเป็นกุธรมในการพัฒนาชีวิตทารรา้าศีสภาวิปัญญาก็พัฒนากันใหญ่ทีนี้ก็ต่อไปก็เข้ามาสู่ภายในบ้างสดนี่ยงคาบเกี่ยวโยงระหว่างภายในภายนอกพอไปความสมหังถูกถด้วยอันนี้ความสุขยังไม่หมดพัฒนาต่อไปก็ความสุขจากศักยภาพของมนุษย์ที่มีความสามารถในการประดิษฐ์ในการปรุงแต่งซึ่งสัตว์ทั้งหลายอื่นไม่มีส สร้างสรรค์สิ่งนี้ทำให้วัตถุเจริญงามขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีเป็นอารยธรรมเป็นสิ่งก่อสร้างประดิษฐกรรมต่างๆเแนเนี่ยเป็นโลกของมนุษย์ขึ้นมานี่เจะสามารถในการประดิษฐ์รแต่งสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์รแต่งสร้างสรรค์อันนี้มาจากไหนก็มาจากความคิดนั่นเองในคาคิดด้าห่งมนุษย์นั้นมาประดิษฐ์รแต่งวัตถุภายนอกเพื่อจะช่วยให้การเป็นอยู่ของตเองนี้ได้ปลอดภัยสะดวกเคื่อหนุนเป็นปัจจัยแห่งการมีชีวิตที่ดีงามขึ้น อีอันนึงก็คือมาประดิษฐ์สิ่งสำหรับเสรีบำรุงบำรุงตัวเองไอ้ตรงเนี้ยในการประดิษฐ์ปรุงแต่งสร้างสรรค์วัตถุเนี่ยมนุษย์รแยกออกมาเป็นสออย่างว่แค่ไหนจะเป็นการประดิษฐ์ปรุงแต่งสร้างสรรค์เพื่อมาเป็นปัจจัยแห่งชีวิตที่ดีงามแค่ไหนจะเป็นการประดิษฐ์ปรุงแต่งสร้างสรรค์เพียงเพื่อมาสร้างสิ่งเสรีบำรุงบรุงตัวเองเมื่อมนุษย์แยกกันได้อย่างนี้ไอ้จุดเด่นมันก็จะไปอยู่ที่การประดิษฐ์ปรุงแต่งสร้างสรรค์เพื่อหาสิ่งเสรีบำรุงบารุงตัวเองพอไปอย่างนี้ลัทธินยมบริโภ จะให้มีป ic, ัจจัยมาท่วให้ชีวนะิตอยู่ได mm ้ด hmm. ีน well, mm ี hmm. ่ยก็เลยทให้เจริญอกงาต่อมาไปคิดว่าการประดิษฐ์สร้างสรรค์กแต่นี้เพื่อจะได้มีสิ่งเสร็จ้มากกลายเป็นนักเสร็พการสร้างสรรค์ด้วยอดกาลังลงไปนี่ตกลงมันไปดูปัจจุบันนี้ก็แยกไม่คอยออกเระถ้าแกแยกออกแกก็จะหันไปสร้างสรรค์ประดิษฐ์เพื่อให้วัตถุที่ได้เจริงองามขึ้นวันนี้ได้มีได้เพิ่มผูนขึ้นมาเพื่อเป็นปัจจัยเพื่อสนับสนุนกิจารมีชีวิตที่ดีงามในการสร้างสรรค์ให้สังคมน อ่ะทีนี้อันนั้นอันหนึ่งนะก็แปลว่ามนุษย์นี่จากความคิดความสามารถในการปรุงแต่งปฏสัมพันค์เพื่อมาผลิตวัตถุปัจจัยภายนอกเป็นวัตถุปัจจัยหรือเป็นวัตถุสิ่งเสพเราเรียกเป็นสองสับนะฮะสร้างสรรค์ปัจจัยให้ดีงามก็สร้างสรรค์สิ่งเสพสิ่งบริโภคบำรุงบำรเนี่ยสอย่างเนี่ยถ้ามองอย่างนี้อุตสาหต้องสร้างปัจจัยไม่ใช่สร้างสิ่งเสพไม่ใช่สิ่งไม่ใช่สร้างสิ่งบำรุงบำรุงทีนี้ยังไงก็ตามอันทั้งทั้งสองนี้ก็ยังเป็นข้างนอกอยู่แต่ว่า ในตอนนี้แยกระหว่างการปรุงแต่งภายในกับภายนอกคิดรุงแต่งกรสันสันวถูกใจสิ่งเสพนี้ด้านหนึ่งนี่ภายในก็คือการปรุงแต่งสุขทุกนี้เองมนุษย์ก็มีความสามารถอันนี้ด้วยมนุษย์ก็จะมีการปรุงแต่งจิตใจเขตัวเองอยู่ตลอดเวลาปรุงแต่งกุศลธรรมกอกุศลธรรมปรุงแต่งความสุขและความทุกข์ที่มนุษย์ที่เพ่งมองไปข้างหน้าข้างนอกในการหาสิ่งเสพมาดโดยตัวเองก็จะไม่ได้พิจารณาไม่รู้จากแย่ๆว่าตัวเองไม่เอาใจใส่ว่าในเวลาดูการภายในจิตใจตัวเองที่ตัวเองปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งสุข ที่ประกอบด้วยตัหาวปาทานะความอยากสนองความต้องการในการเสพความิมสคัญบ้านหมามนในสิ่งต่างๆเกิดเป็นความหวงความกางังวลความหวาดระแวงการกลัวจะเสียผลประโยชน์การกลัวจะแพ้เขาการกลัวว่าจะอะไรต่างๆมากมายการตัวตัวเองจะไม่ได้นะจะไม่สาเร็จแล้วก็เกิดความเครียดนะความกังวลความกระุ่มใจแล้วก็รับสิ่งอารมณ์เข้ามาในตาหูจมูกอะไรกตาที่มันกระทบในทางไสบายใจเก็บมาแล้วก็เอามาปรุงแต่งเวลามันนั่งเงียบก็ไม่แต่เวลานอนคนก็ไปเก็บเอาแต่อารมณ์ที่มันกระทบกระทั่งไม่สบายใจเนี่ยมาคิดปรุงแต่ง ก็ากคนจ น, นมากที่มาใ น, นสผลพัฒนาตนเองไม่รู้ตัวข้างนอกตัวเองก็ประดิษฐ์ปรุงแต่งสร้างสารวัตถุเสพ้ข้างในใจก็ปรปุงแต่งทุกคู่ ก, กไปไ้ข้างนอกกะหาสู ส, สิ่งเสพ้ข้างในก็ปรปุงแต่งทุัตัวเองอยู่เลยเลยตลอดเวลาคู่ ก, กนเนียีนี้นเป็นอย่างนี้กันมากเลยเพราะฉะนั้นให้ข้างนอกกาหาวัตถุเสพนักหนาไม่สุขสนติ้ข้างในกรทุกใจกรเครียดไม่มีความสบายใจเลยใช่มะฉะนั้นถ้าไปอย่างนี้แล้วมันจะบรรลุจุดหมายชีวิตดีงานมันจะมีความสุขได้อย่างไไม่มีทางนะเพราะว นี่ก็รวมความก็เพียงนปัจจุบันนี้เพราะว่าไม่ได้ศึกษาก็ใช้ความสามารถใน า, าที่ผิดข้างในตัวเองก็ปรุงแต่งทุกเอาอะไระอะไรมากเกมาก็มาปรุงแต่งเรื่องความผิดความววประวในกระทั่งเป็นลักษณะสังคมยุคนี้เลยเป็นสังคมที่คน ม, มีจิตใจเครีดมากนะแล้วก็เอาการปรุงแต่งนี้ก็มาจากความสัมพันธ์ในสังคมด้วยในการที่ว่าเป็นระบบแข่งขันยั่งชินะเรื่องของระบบสังคมก็มาหล่ออมจิตใจนะทาให้เพิ่มความเครียดยิ่งขึ้นกลายเป็นทุกข์ในจิตใจแล็ออกมาระบายก็เป็นทุกข์ในสังคมเพราะคนที่มีทุกข์นี้ก็มีความ ปรุงแต่งุรรมแแต่งความสุขก็สิ่งที่เรามองเห็นสิ่งเดียวกันเนี่ยนถ้ามองในแง่ไม่ดีก็ทาให้ไม่สบายใจปรุงแต่งใจก็ทุกแถ้าเรารู้จักมองเราอาจจะหาประโยชน์จากมันได้ปรุงแต่งใจให้เป็นสุขก็ได้ใช่หรือว่าสิ่งที่ได้ได้เห็นางห่ติใจมักจะไปติดกับสิ่งกระทบที่ไม่สบายใจไม่ชอบใจ้นี่สิ่งที่น่าสบายใจไม่เก็บเอามารก็ไปเก็บเอาสิ่งที่ดีน่าชอบใจสบายใจเอามาปรุงแต่งจิตใจตัวเองหรืออะไรที่มันเข้ามาแล้วจะรบกวนจิตใจไม่มีประโยชน์เราก็ใช้สติกันมาเสียเรา ได้สามารถใช้ศักยภาพตัวนเองในการสร้างสรรค์ปรุงแต่งความสุขให้กับตัวเองในภายในนะก็สร้างปรุงแต่งจิตภายในอย่างว่าอย่างที่พระเจ้าสอนแล้วพุทธานุสติธรรมานุสติทำไมคนไปละลึกเรื่องไม่เข้าให้ทุกโดยใจเหตุก็เอามาลึกเรื่องดีๆีถ้ายังลึกไมออกนะก็เอาบบพุทธานุสติบังธรมานุสติบงสังานุสติบังศีลานุสติบังจารานุสติเทวตานุสติบระแมแต่บารนันนุสติบังบารนัสติแล้วลึกความตายก็ยังน่าที่คนต้องน่ากลัวนั้นลึกเป็นมันก็ได้ความสุขเอ ตกลงว่พระพุทธเจ้าสอนเยอะแมแต่ให้ใจเออคุณ ไม่รู้จะทอะไรใจไม่สบายถใช่สติไม่เอาอารมณ์นั้นมาคิดาคุณหายใจเป็นซะหายใจมาตลอดทุกวันไม่เคยหายใจโดยความรู้ไม่เคยหายใจเป็นหายใจด้วยเอยไปหายใจตามอารมณ์เวลาโกรธก็หายใจแรงสุดฝาดทำให้เสียสุขภาพหรือว่าเวลากลัวก็ปันหายใจซะทาให้หายใจไม่ได้ประโยชน์กหายใจให้เป็นหัดหายใจหายใจยงมีสติต่อมาก็เป็นประโยชน์เือูต่อร่างกายต่อสุขภาพด้วยนะแล้วเวลาไม่มีอะไรจะทาเดี๋ยวจะไปรุ่งกังวลไปปรุงแต่งในเรื่องก็ไม่ท้อะไรก็กำหนดลมหายใจซะเอาจิตอยู่กับลมหายใจหายใจเขาจออกสบายๆหายใจสบายสม่ำเสมอได้ประโยชน์กับ หรืออย่างปรุงแต่งให้ดีกว่านั้นอีกเวลาหายใจก็ปรุงแต่งไปด้วยว่าหายใจเข้าจิตอะไทำจิตให้เบิกบานหายใจเข้าทาจิตให้่งเบาหายใจออกในเวลาหายใจเข้ากัทำใจให้สบายจืดนบานของสเวลาหายใจออกกใจให้ลอดโปร่ง่งเบาน่ภาวนาใช้คว่าภาวนาแบบภาษาไทยก็ได้ว่าเอามาใช้ปรุงแต่งเวลาเวลาหายใจก็ปรุงแต่งใจไปด้วยอย่างที่ว่านะฮะนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งง่าย ทำจิตเบิบานให้ใจเข้าทำจิตโล่งเบาให้ใจออกทำอย่างนี้ไปทำใจให้ตัวเองทำตามทำที่ว่าก็สบายมีความสุขไม่เอาเรื่องมาคุยเรื่องม า, มาคิดเนะี่ยการงแต่งจิตนี่เยอะนะอย่าน้อยก็อย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าทำใจให้มีปราโมทย์ความรเริงเบิกบานใจปีติความอิ่มใจสมทธิคามสงบเย็นผ่อนคลายกายใจแล้วก็สุขความโล่งโปร่งเบาช่องใจสะดวกใจแล้วก็สมาธิความมีจิตสงบแน่วแนตั้งมั่น ดูตัวไม่ถูกรบกวนด้วยอะไรทั้งสิน้นนอย่างนี้ถ้าได้ภาวะจิต5อย่างนี้ประจำอยู่ก็สบายมีความสุข ก, ก็การรุงแต่งทนันนะใช้ความสามารถการรุงแต่งที่มนุษย์มีอยู่นี้ให้เป็นประโยชน์อย่าไ ป, ปรุงแต่งให้เกิดทแก่นตนเองแล้ว ร, รุงแต่งอย่างนี้แล้วก็จะไปเชื่อมกับการทาให้เกิดปัญญาพอจิตเป็นสมาธิจิตที่ดีเป็นบุคลนี่มันจะคิดอะไรจะแรงมันโล่งเบากคิดคล่องก็เอาจิตที่มีสมาธิจิตที่ดีนี่ไปใช้ประโยชน์ท่านเรียกว่าเป็นจิตที่เป็นกามนิยะจิตที่เหมาะกับการใช้งานก็ไปสู่การพัฒนาปญญา ก็จะถึงสุขขั้นสุดท้ายเรียกว่าสุขเนื้อุงแต่งแนหะกอนี่สุขเป็นขั้นุงแต่งนะพสมบ ต, ต่อไปสุขขั้นสุดท้ายสุขเกิเดปัญญาเนื้อรุงแต่งเรียกว่าวิปัสนาพอวิปัสนาตอนแรกก็ยังปรุงแต่งอปัญญามาปรุงแต่งจิตให้ก้าวในบษษุรถธรรมให้พ้นจากทุกข์ให้มีในความสุขเป็นประจาใจกะทังพอปัญญานี้จเจริญงอก ง, งามทั้พร้อมสมบูรณ์รู้เข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายแล้วก็จะเป็นจิตที่เป็นอิสระตอนนี้เป็นจิตเนื้อปรุงแต่งเป็นความสุขที่มันต้องปรุงแต่งเป็น